มีการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายมุงหมายก็เข้าถึงพุทธธรรมนำตนเข้าถึงพุทธธรรมให้เป็นกิจกรรมและพฤติกรรมแสดงออกบอกเป็นพฤติในของชีวิตเป็นข้อคิดของกรรมาฐานในโอกาสบัดนี้นั้น เราท่านังหลายก็อาจจะซึ้งใจใ้บางทราบถึงคุณธรรมและซึ้งใจถึงนพุทธธรรมอาจจะเข้าถึงพุทธะความลดละในชีวิตอาจเป็นข้อคิดของผู้แสวงบุญที่เรามานี้ไม่ใช่มาสร้างบาปมาสร้างบุญระลึกถึงความดี อย่าเราเลืกถึงความชั่วแต่ประการใดเลยเดี๋ยวความดีท่านจะหมดไปการปฏิบัติกรรมาฐานก็ต้องมา ล, ลึกถึงบุญ ล, ลึกถึงคุณรประโยชน์ที่ไม่มีโทษในตัวเองเพราะฉะนั้นเราทำบุญทุนทานก็ ล, ลึกถึงบุญต้องการให้เรามีความสุขความเจริญคือ ล, ลึกอะไร ล, ะลึกความดี การเจริญกรรมาฐานเพื่อตั้งไหว้ซึ่งความดีต้องการให้เรามีปัญญาแต่เป็นที่นาที่ได้บางคนระมึกแต่ความชั่วแล้วเหมือนเราจะทำบุญทาทานพระพุทธเจ้าสอนให้ระมึกถึงความดีนะคุณตาคุณหน้าคุณย่าคุณลุงคุณพี่คุณน้องระมึกถึงความดีที่ทาไว้เชิด ความดีจะประเสริฐอยู่ในจิตใจอย่าไปน้ำลึกถึงความชั่วเลยการปฏิบัติกรรมฐ า, านนั้นเพื่อลำลึกถึงความดีเพื่อต้องการบุญต้องการให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญอย่าไปน้ำลึกความชั่วอย่าไปลึกความไม่ดีมาไว้ในจิตใจเลยการปฏิบาาัติกรรมฐานองการนำลึกถึงบุญเหมือนท่านทำบุญบ้าน ทำบุญเลื่อนทำบุญให้พ่อแม่ทำบุญให้คุณแก่คุณย่าคุณยายก็มึดขึ้นความดีได้ไหมว่าพ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาเป็นเนื้อหนังบางครั้งเนื้อหนังของพ่อแม่ทั้งนั้นควรจะสร้างความดีได้แล้วคี่น้องที่หลักโปรดพิจารณาให้มากเราก็ปูนชนีแล้วเป็นผู้นำ ผู้นำที่สำนักงานแต่ต้องมาเป็นผู้ตามที่นี่ถึงจะถูกต้องเป็นผู้นำที่ดีต้องตามเขาได้ถ้าผู้นำที่ไม่ดีตามใครไม่ได้เอาแต่นำแต่ไม่ตามใครนี่แหละไม่ลึกถึงความนี้แต่ประการใดเลยผู้ดีมีปัญญาเหมือนเราทำบุญบา้านพระท่านจะสอนโยมลังลึกถึงความดีไว้นะคือบุญ ความดีเนะี่ยคือความทุขบุญนี่ยคือความสุขเรนะาเมื่ลลถึงความไม่ดีคือความทุกข์มันทุกข์ระทมขมขืนคืนก็จะอมหรือยอมผมก็จะเกินเช่นนี้โยมจะได้จากความทุกข์เดือดร้อนในอนาคตแห่งลูกหลานคงโยมด้วยนี่เหตุผลทําบุญก็เลมลื่อถึงความดีดีว่ามาวานี้ได้ทําความดีเดือนก่อนได้อทอดกรินผักป่า เดือนโนได้ไปช่วยทุนเสริมสมองเด็กวันนั้นได้ไปช่วยโรงเรียนโนโรงเรียนนี้วันนั้นได้เป็นวิทยากรวันนั้นได้ไปสอนลูกหลานให้เข้าถึงคุณธรรมนี่นึกเมื่อใดชื่นใจคือความดีคือความสุขเราไม่มีดีเลยเรานึก แ, แต่ความชั่วเช่นนี้ดังกล่าวมาความดีท่านจะหมดอะไรจะยากเหมือนความยากจะเกิดขึ้น ในนาคตวันข้างหน้าแน่นอนที่น้องเราจะตายจากกันไปในโอกาสหน้าแล้วท่านจะไม่เอาดีไปบ้างหรือชิง้งความดีไว้ลูกหลานท่านบังหรือเปลือการได้ขอฝากให้ท่านคิดในวันนี้โดยทั่วหน้ากันอุตส่าห์เสียสละเวลาทางบ้านท่านมาแล้วไกลแสนจะไกลต่อตามาคิดแล้วคิดอีก อยู่ที่นี่ก็ตั้งใจช่วยเหลือท่านท่านทั้งหลายได้สร้างความดีมือถึงความดีที่มีอยู่ของพ่อแม่ที่ให้มาพ่อแม่เราก็ให้เนื้อหนังมางคางพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ําเลือดน้ําเหลืองทั้งสองคนพ่อแม่ก็ปลองดองญาติพี่น้องเลี้ยงลูกรักลูกมาเลี้ยงเราทุกคนให้มื อ, อสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นชื่อพึ่งมาแล้วให้ลําลึกความดีอย่างนี้ มาเจริญกรรมาฐานเพื่อสังขติก็ลำลึกความดีที่มีอยู่เข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดช่องให้มันถูกช่องถูกคููจะน่าดูหน้าชมเหมือนเปิดทีวีไม่ถูกช่องมันมันจะน่าดูหน้าชมภาพก็ไม่มาเสียงก็ไม่มาเช่นนี้นะ่านจะได้ประโยชน์ตัวที่ผลปริการได้อาตมาวันใจแทนท่านเลือเกินขอฝากไว้นำะบัดนี้ เกิดตามาท่องอยู่ทุกลมหายใจว่าชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์หรือเกินเราเลี้ยงงัวควายไว้ใช้งานเลี้ยงตัวเราใช้อะไรควรจะใช้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเธอจะประเสริฐในอนาคตต่างชาตทุชนที่หลักโปรดพิจารณาเนี่ยตามาเนี่ยวันนี้ทํางานเสร็จไปแล้วยี่สิบแปดลายเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทํางานมาเช้านี้ก็มาอยู่ต้องไปโน่นบ้าน พลตำรวจเอกประเสริฐวุฒิวงลูกหลานไปดอกอร์เธอทั้งนั้นชื่นใจก็บเขาเหลือเกินเลี้ยงลูกก็โตปุ่นต้นโพก็ได้ลมบางบานเสียใจด้วยเลี้ยงลูกโตมันต้นตาลไม่มีหลักฐานแต่ประการได้พระพ่อแม่ลำลึกแต่ความไม่ดีเช่นนี้นั้นไหนเลยเล่าลูกแล้วน่าจะดีได้ขอฝากท่านคิดนะไม่ได้วาท่านนะให้ท่านคิดอตาตมานเนี่ย ทาความทั่วมามากข่าสว์ตัดชีวิตมามากมายหลายประการท่าเราไม่รู้นั่นเองลูกเราก็ไม่รู้เรารู้แล้วก็อย่าทำรู้แล้วฝ่าฝืนขึนกระทำพระพุทธเจ้าบอกว่าความผิดอย่างร้ายแรงความผิดที่ร้ายแรงคือรู้และ ฝ, ฝ่าฝืนขืนกระทำแปลว่าร้ายแรงมากเป็นถิ้งกรรมในปัจจุบันนี้นะ่ะ ถ้าความรู้เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ให้อภัยได้ให้อภัยกันได้พระอภัยมณีให้อภัยได้ปีพระอภัยมณีเสียงเพราะคือธรรมะแต่มันฝืนใจยักไอ้ยักเนี่ยได้ยินปีพระอภัยมันจะตายอกมันจะแตกหัวสมองมันจะระเบิดเพราะมันยักความดีต้องฝืนใจธรรมะต้องฝืนใจยัก ถ้ายักษ์นั้นหายไปฝืนใจได้ก็เป็นคนดีเป็นมนุษย์โฉผาคือพระอภัยมณีเป่าปี่เสียงเพราะเราจะเห็นได้ว่าพระเทศในชีวีบางบ้านก็ให้เป็ดเขาจะออกแตกนั่นแหละเขามันฝืนใจไม่ไม่ได้เขาเป็นยักษ์นี่แหละไม่ใช่เรื่องเลยวไหลที่สุนทรผู่ครูสุนทรผลทันแต่งเรื่องพระอภัยมณีไหวตามาชื่นใจคนไหน มีธรรมะฝืนใจได้เป็นพระอภัยให้อภัยโทษให้พยทานได้ไมีมณีแก้วอยู่ในดวงแก้วกล่าวแล้วนีคือวิตนึกเงินไหลนองนึกทองไหลามาธรรมมาฮาจริงก็มั่งมีศิีศกนี่คือระลึกความดีเช่นนี้นั้นขอเจริญพรที่นองที่ละท่างทังหลายเป็นอาคัรตุกกวันก่อนบัดนี้เป็นญาติของตรมาแล้วต้องเตือนต้องส อ, อนกันนะเพราะว่ายมิตต้องเตือน เพราะฉะนั้นเราเตือนกันเอาหลักเอาอะไรที่ไหนามา พ, พี่น้องทีลกเอ๋ยคนยากจนอย่าไปประมาทคนนะไม้ล้มค่อยข้ามคนล้มอย่าข้ามเลยอาตมาเดียประสบมาแล้วพี่น้องทีละคนล้มลงไปมันลุกได้เป็นเศรษฐีได้นะอย่าไปดูถูกมินประมาทคนจนที่ไม่มีเงินมีทองเลยอาตมาเสียใจแทนที่คนไล่คุณธรรม มีเงินเขาก็หวันน้องมีทองเขาก็ว่าพี่ไม่มีเงินไม่มีทองพี่น้องก็ไม่มีเช่นนี้น่ะนี่ไร้คุณธรรมเหลือเกินขาดถาเจจาเมตตาไม่เหมือนพระอภัยมณีเลยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ไปคิดโดยทั่วนนาการปูนชนีดป่านชนีดแล้วเราก็เป็นพอ่อเป็นแม่เขาแล้วต่อไปท่านจะเป็นคุณตาคุณยายเขาคุณปู่คุณยา่าจริงหรือไม่ ไม่จริงก็ไม่ว่าอะไรกันเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีท่านจะเป็นปู่เป็นย่าที่ดีของหลานเป็นตาค่อยยายที่ดีของหลานจริงหรือไม่เปล่กันไดไม่จริงก็ไม่ว่ากันชายก็ต้องจริงหญิงก็ต้องแท้นะเป็นคนแก่ที่นาบูชาเป็นชายไล่สาระไม่จริงเป็นหญิงก็ไม่แท้กลายเป็นคนแก่ที่ไม่นาบูชาไม่ไล้คุณธรรมเช่นนี้ ลูกหลานจะเคารพนับถือประการใดขอฝากท่านไปคิดใน า, านะเป็นบัณฑิตญาติของอาตมาในวันนี้อย่างจึ่งใจขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะขอฝากไว้อย่าข้ามกันคนลม้มคนลายคนเร็วคนกินเหล้าไม่เล่นาการพ น, นันไม่จงว่าอาตมาไม่เคยว่าใครมีคนก็มาถามอาตมาเรื่องผอครับผมกินเหล้าข้างบาน ดีไม่คลับดีจเจริญพรแล้วก็ผมกินเล่นหวยหมดนาไปสามแปลงนานอกขายแล้วอยู่แต่แถวนาห น, านาว่าอย่างนี้ดีไหมดีเจ้าค่ะไม่เป็นไรดีดีกินข้าวซะก่อนอิ่มน้ำซ้าลานแล้วก็ค่อ ย, ค, ยคุยกันดีสำหรับโยมที่ชอบ แต่ไม่ดีสำหรับอาตมาเป็นตระสงค์องค์ฉีเช่นนี้เราก็แยกประเภทออกให้เขาฟังเขาก็จะชื่นใจเออกาก็ไปด่าทิ้นเล่าไม่ดีเล่งการพร น, านันไม่ดีมันต้องดีใช่ไมไม่ดีเขาจะกินเลยไม่ดีเขาจะเล่นแล้วก็ น, นานอกขายแล้วเหลือจ้นแถวนานในยังอยู่อีกนาในแถวเดียวดีจ้ะยมดี แต่หมายเหตุท้ายไว้ว่าดีสําหรับโยมที่ชอบทั้งผัวทั้งเมียชอบกันทั้งบ้านเลยกินเหล้ากันทั้งบ้านมันก็ต้องดีสิทำไมดีโยมก็จะมาก็เลิกคุยกันได้คนละช่องทีวีแล้วคนละเป๊กคนละไส้เกลนแล้วดีไม่ได้อย่างนี้มันคนละช่องกันไอช่องของเรามันช่องเก้าช่องซีบ็มแต่ของโยมนั้นเขาช่องยี่สิบ มันก็คนละช่องกันก็เป็นอะไรไปว่าเขาทำไมเล่าไม่ต้องว่าเพราะทีวีคนละช่องก็ต่างคนต่างเปิดเอาเถอะนะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ไม่ว่ากันขอจเจริญพรให้แนวความคิดอย่าข้ามกันคนดีคนละลมคนช่วยกันอย่างไร อาตมาได้นงจะเป็นเด็กมัธยมสามอย่าข้ามคนล้มอย่าไปข่มคนลูกอย่าไปขู่คนกล้าอย่าไปช้าคนพานอย่าไปวานคนร้ายอย่าไปขายคนรักอย่าไปกากคนคนอย่าไปกากคนรีดอย่าไปเบียคนบอบอย่าไปชอบคนชั่วอย่าไปยั่วคนดีอย่าไปตีคนตายมีความหมายมานานแล้วนะบักนี้น่ะขอฝากให้จันคิดดูทั่วกัน นี่แหละไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีเรายากจนเงินทองแต่ไม่ไม่จนคุณธรรมขอฝากวอย่าอย่าจนคุณธรรมทำไมถึงจนตอบทันทีว่ามันไม่มีทำไมไม่มีนะตอบอีกทีเพราะไม่ได้ทำทำไมไม่ได้ทำเราเพราะมันขี้เกียจทำไมขี้เกียจเราเพราะมันจนจิตจนใจจนปัญญาจนไรความสามารถ จนนอกจนไหนจนหนอกจนไหนจนจิตจนใจตลอดการละเวลาตอ บ, ต อ, บอยา่างนี้ถ้ายอมผู้หญิงหึงผัวทําไมถึงหึงก็จะตอบไม่ได้ทำามาจะตอบแทนทําไมถึงหึงล้วโยมเพราะมันห่วงทําไมถึงห่วงแล้วเพราะมันห่วงโยมผู้ชายทําไมถึงห่วงนักล้วเพราะมันตกขั้วลึกแล้วมิใช่หรือตอบให้มันเข้าสเปกหน่อยไม่ได้ นี่ ม, มีมีความหมายตอบมันนอกสเปกมันไม่เข้าเรื่องเขาา้าราวขอฝากไว้กินเหล้าดีไห้ยอมดดีไหมดีพออ้อทเงียบกินเหล้าดีไห ม, ด, งงมดีไห ม, ไไหมนี่นี่ฟงัฟงฟงังฟังใจเต้นต่อไปกินเหล้าดีไหมฟ้อมกินเหล้าจังร้องถอมให้กินเฮ้ยกินเหล้าก็คนชั่วเลยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดวัดผิดวัดผิดวั ด, ด, วดไป หลวงพ่อผมกินเหล้ทาทั้งบานเมียผมก็กินลูกก็กินครับดีไหมครับโอ้ดีดีดีดี ด, ด, ดีเห็นด้วยเห็นด้วยเฮ้ยเฮยฮถูกวัดแล้วมากมากมากนี่คุยกันได้คุยกันได้อผมเล่การพนันทั้งบานเลยครับเมียผมชอบเป็นหัวยสาตัวมีถามจริงเหเนี่ยชอบเป็นหัวยําตัวไหมเนี่ย<อ>เดี๋ยวเห็นหนอก่อนอ๋อไม่มีใครเล่นเลยดีมากนึกว่าเล่นพรุ่งนี้จะให้ อ, อไม่เล่นเลยก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้แนละ้วเพราะไม่เล่นนี่ขอฝากไตเติ้ลวิธีสอนไว้ด้วยขอฝากคณาจารย์ไวด้วยอย่าไปขัดคอครับคนไหนกินเหล้าดีไหมดีดีวก่อนไปสอนชายแดนอย่าบอกกินเหล้ามาดีเรื่องการพนันไม่ดีเดี๋ยวขอขาดนะดีไหมเจ้าค่ะดีเจ้าค่าถ้าเป็นครูอาจารย์ผู้หญิงนะ เออมาเมาชอบเมาครูสอนแด็กยังไงใครผมจึ้นเล้าเนี่ยจะสอนยังไงดีไหมอ่ะครูผู้หญิงก็ต้องบอกดีเจ้าค่ะแล้วก็ต้องลงให้ใหญ่จังหวะดีเจ้าค่ะให้มันมีจังหวะถ้ายังไม่เข้าใจว่ายังไงเจ้าค่ะต้องฟังไว้อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะให้มันจังหวะจะคนอะไงอะไรว่าไงว่าไงว่าไง ไม่มีระบบเลยต้องมีระเบียบสินี่ยังมีเป็นตอนนี้เหตผลที่นาฟังอย่าไปขไขคอเขาแต่เราสอนด้วยบัลลิตสอนให้เขาคิดสอนให้เขาได้แนวอย่าไปว่าเขาการสอนลูกสอนนักเรียนอย่าสอนด้วยการดา่าอย่าสอนด้วยการว่าต้องสอนแนะแนวให้ได้คิดใช้ชีวิตปฏิบัติทานี่อยู่ตรงนี้ขอฝากว่าดยวยเทคนิคไอ้ม่ใ ฟ้าเฉียบในนะที่แล้ไม่เป็นท่าเนี่ยฮะนี่ในเรื่องเมื่อปฏิบัติกรรมฐานเลิกเลยลาลงไ น, น่แนลาลงในเกณเหล่านี่ลาลงใ่วัด น, นี้เจ้งแน่แน่มีไม่พรไทไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระสรรมขันกอนสโลบายการสอนพุทธเจ้ายอดให้โลกไม่มีนาแล้วไม่ว่าแล้วไม่เสียดสีใครดูนี่เหตุผลแต่พูดให้เด็กคิดพูดให้เขามีปัญญาพูดให้เขามีแนว พูดให้เขาเดินทางด้วยความถูกต้องนี่ถึงจะถูกวิธีการโกนโรบายการสอนขอฝากไว้อย่างนั้นเนืตอมาเนี่ยมีเยอะมาเมาต้องพ่สคือบ้านผมกินเนี่ยผมเอามาเครื่องขวดกินได้ไหมตรงนี้ได้สิไม่มีห้ากินเข้าไปไม่เป็นอะไรละเอเอ วัดนี้ดีอยูวยไูไปวัดโน้นมาหาเอาเล่าไปพระด่าเลยนี่โยอมบ้าบอเอาเหล้ามากินดาา่ดาไม่หย่ะอย่าด่าด่าแพ้นะด่าแพ้่นะพูดให้มันดีๆเข้าใจง่ายฟังฟังเทคนิคฟังเทคนิคพูดร้ายเข้าใจยากเข้าใจนะคะพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากนั่งกรรมาฐานจะรู้เอง ขอถามจริงๆฮะโยผู้หญิงที่อยู่ที่เนี่ยเอาความจริงมาพูดกันเคยทะเลาะภาษามยียหมือไม่เคยนะไม่ถามจริงๆฮะไม่เคยเลยเหรอแหมสาทุแหมดีมากดีมากแหมไม่มีคู่ไหนเลยไม่จะเข้าทะเลาะกันขนาดแหมดีมากไม่เคยทะเลาะกันแตด่ากันใช่ไหมดีมากทีอืุดดีดีจริงๆ มีเหตุผลนะการการแนะแนวแนะแนวต้องมีเทคนิคไม่ใช่ไปว่าเขาสอนลู ก, ก็อย่าไปด่าด้วยสอนด้วยใช่ไม่ได้แม่ตากับลูกเสือด้วยโถสะตีลกูกเช่นนี้ไล่สาระขาดเหตุผลของท่านผู้ใหญ่วางฝ า, ากไว้เด้ต้องพูดให้มันเราะแล้วพูดต้องยิ้มี้ยอย่าหน้าบึ้งถึงจอลงกระโหลกคืดทัดทึนทัดเนะ นเนี่ยการเจริญกรรมฐานทําให้เรารู้อะไรได้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนนันเนี่ยจะรู้ขึ้นมาเอาเรื่องเก่ามาลูกันไม่ใช่เรื่องใหม่จะยุกขึ้นมาไม่ใช่สิ่งนึงกรรมฐานเนี่ยสากลนิยมเยอะจะเล่าให้ท่านฟังทั้งสว่างเลยเนี่ยค่ำคืนวันนี้ถ้าถ้านางฟังนะถ้าไม่นางฟังก็ไม่ว่ากันนะเพราะแหม่นี่ยพูดยากนะอราคาหลายเนีวิชาการนี่ ต้องสงวนลิขิตตามพระราชบัญญัติมันกันเอาหาว่าไม่เข้าท่านะในนี้เหตุผลจะฟังเหตุผลการนะพ่อเตรียมให้ด้วยไหม ย, ยิ้มลูกเดียวพูดเพราะลูกเดียวใช้ด ạ นี่เหตุผลที่เราจะฟังกันต่อไปนั้น <c oughs> เพราะวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยมีรายการมหาวิทยาลัยสุขุทัต ระมาถ่ายทำทีวีเป็นวิชาการออกการสอนโรงเรียนทั่วเลยนะจ๊ะเขาบอกแนวมาแล้วหนึ่งจริยาธรรมกับโรงเรียนนะเดี๋ยวฟังแนวไว้ก่อนนะจะได้ตอบให้มันถูกนะแล้ว <Nevertheless, S 1> <ะ>เอาเอาตอบตั้งแต่หน้าปกเลยใช่นะมไม่ใช่ตอบกลางกลางเล่มนะมันจะผิดระบบเอาละกลางเล่มมาตอบไม่ได้ต้องเอาตั้งแต่เรื่องอะไรลงมานะ เรื่องจริยธรรมกับโรงเรียนและโรงเรียนน่ะประเภทไหนเขาบอกเลยนะประเภทประถ ม, มศึกษากับมัธยมศึกษาสองประเภทไม่ใช่เอาเล่มเอากลางเล่มเอาท้ายเล่มมาตอบนะต้องบอกให้มันถูกเรื่องละครลิเกขอฝากใจเตินไว้ว่าต้องออกแค่ก่อนบอกเรื่องอะไรใครเป็นพระเอดใครเป็นนางเอสด ใครเป็นตัวจอกใครเป็นตัวโกงใครเป็นเพลิดเสีเข่นโยมวิเชียนเป็นพเพลิเดเสีก็ต้องบอกเลยยมมิเชียนอธิบดีเป็นเลิดเสี่ข mm hmm. อ อ, อนิลันเป็นอะไรผู้กากับการแสดงแน่แสดงอะไรนะขออสเสนี่ยมก็ก็จะบอกว่าแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฮและคุณประพัดแสงดา เขาก็จะประสานงานว่า น, นี่รีบแต่งตัวได้รีดแต่งตัวคุณปภัทรก็บอกคนนี้แต่งตัวได้คนนี้แต่งตัวได้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าระวังนะพุ่งกับการแสดงมาอยู่เจ้โป้ไม่อยู่นะลิเกมาเล่นผิดเรื่องได้ตรงนี้ลิเกเล่นผิดเรื่องได้อาตา ม, มาไปประเทศอินเดียไปไประชุมพุษษทธศาสนพันธุ์แห่งโลกฟังแล้วเล่นเรื่องทั้งทองนะ กลับมาทางวัดเล่นเรื่องลักษณะวงศ์ข้าพราหมณ์เกสอนตายเลยนี่มันผิดเรื่องตรงนี้ต้อง ก, บกับการแสดงโดยใกล้ชิดตาสันทั้งหลายเป็นแม่ทัพต้องเคลียร์พื้นที่โดยใกล้ชิดทั้งกองทัพหมายเดี๋ยวลบผิดนะขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยเป็นข้อคิดเหมือนกัน ต, ต่อมาไปมีพระอยู่ห้าองค์ฝึกวิาณเก่งฝึกเก่งที่สดรับรององค์นี้ของเราแจ๋วนะ สังแล้วสั่งอีกองค์นี้ทําหน้าที่นั้นหน้าที่นั้นแจกงานแต่วัดนี่แจกงานไม่ใหญ่เหมือนราชะการมันมีเงินเดือนวัดไม่มีเงินเดือนให้เขาแจกงานไม่ใหญ่ทําด้วยศรัทธาถ้าเขาไม่มีศรัทธากับเรามาเลยเขาก็าไปมา น, นั้นเที้งงานทันทีอย่าลืมไม่ใช่ระบบแจกงานอย่างท่านทั้งหลายเราจะพูดแจกงานกรมประชาธิปันกรมสื่อสารกรมประสานงานกรมพ ล, ลังงานสะทีเดียวเข้าคุณเดียวทําได้นี่วัดต้องทําได้หมด พอไปกลับมาเนี่ยหมดเลยเครื่องพิมพ์ก็หายเลขาก็เขาเช่าไป <siempre parece> ห้าองค์ไม่มีเหลือเลยให้เล่นลางสังทองพาเลื่อเรื่องรัชนาวงเลยก <started out> <ฮ>ลับมาห้าองค์ไม่มีอยู่แม้แต่องค์เดียวไปไหนไปไหนรู้ไหมพ อ, อเธียมไปไหนรู้ไหมเขาเช่าไปเฝ้าบ้านหมดตอนเจโพอยู่ไม่มาเช่านี่มันผิดเรื่องอย่างนี้ นี่บางคนก็ไม่ทราบไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ปริการได้นี่ขอฝากไจเตือนด้วยภูมิกับการแสดง น, นี่มีความหมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดแนวนี้ก่อนว่าจริยะธรรมกับโรงเรียนเข้าตรงไหนก่อนชั้นประถมถ้าจะเข้าตรงไหนก่อนแหละหลักสูตรนี้เขาจะาไปทําหลักสูตรนะจะเข้าตรงไหนก่อนเด็กชั้นปรถมยังเด็กเล็กมันจะโูกคุณธรรมทางพุทธศาสนาตรงไหนเริ่มต้นก่อนเป็นอันดับต้น ขอตั้งเตรียมตัวทุกคนพรุ่งนี้ตอบทีวีเขาต้องขามผ้าทุกคนนะเอาแน่แน่เตรียมไว้เลยอย่างคืนนี้เห็นจะนอนไม่หลับมะ <c oughs> วิธีที่สองจริยธรรมของมัธยมศึกษาเขาต้องถามข้าผูกคณาจารย์ทั้งนั้น ทศนาจารย์นี่ระดับด็อกเตอร์ทท่งนั้นเขาต้องถามในทุกระดับปรฐมวิสาห์นี่มันเป็นผ้าบังคับเรียกว่ามนุษย์สมบัติต้องเป็นมนุษย์บะผ้าบังคับแต่สวรรค์นิพพานนั้นไม่บังคับแล้วแต่ศรัทธาจะไปได้ถ้าใครทําก็ไปได้ใครไม่ปฏิบัติก็ไปไม่ได้มันก็มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นนี่เหตุผลเพราะงั้นก็ขอเนี้ยแนวสั้นๆนะแต่ว่าหลักสูตรนี่ต้องใช้ยาว แนวว่าปฐมมาศึกษานี่ยอย่าลืมเอาเด็กให้เห็นตั้งรูปธรรมนมามธรรมก่อนให้อยากโลกปฐมคืออสาสนพิธีนะตั้งโต๊ะหมู่ตั้งอะไรให้เด็กมันเห็นนี่เขาทาอย่างนี้เด็กมันเห็นแล้มันจําได้แม่นดีกับคนโต ๆ, ๆคนแก่ๆอยู่บ้านหนึ่งเขาตั้งสารพิธีนะเด็กไปครัวเพื่อ น, นเดินต้อยๆมานี่แม่ตั้งเพจตั้งเพจนี่เห็นไหมเนี่ยเด็กคนนี้ไปกับแม่เขา ไปบ้านหนึ่งเขาตั้งโต๊ะหมู่บูชาเขาเอาไอ้ดอกไม้ไว้ข้างล่างแล้วผานเด็กตาขวบมันจําแม่นจังบอกแม่ที่บ้านเราไมไ่ตั้งอย่างนี้นะที่บ้านเราต้องเอาแจกานไว้ข้างบนนะนี่เห็นไหมเด็กเด็กนี่เด็กเด็กศาสนาพิธีอย่าลืมนะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยต้องรู้นะนี่ประถมศึกษาขั้นต้นต้องรู้ศาสนาพิธีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระให้เด็กจํา แล้วการจะพูดจ่าพาทีกับพระการประเคนพระการอะไรตลายนี่เอาสารนพิธีก่อนนี่ระเบียบของจริยาธรรมกับโรงเรียนชั้นปะฐมถ้าท่านทําได้อย่างนี้เรียบร้อยโรงเรียนท่านจะเรียบร้อยหมดทุกคนทําได้หมดทุกคนนะ่บางทีเนี่ยอาตามาไปเนี่ยบางงานเนี่ยคุณแก่เช่งนั้นบอกว่าเอาเรื่องพิธีนักพิธีกรหาคนรัตน์นาศึงไม่ได้เลยไม่ใหญ่เลยนะ เพราะนั่นขอฝากประถมศึกษาด้วยตรงนี้สําคัญนะตรงนี้อยาเสียเลยจริงนะฝรั่งเข้ามาเสียเลยนี่คนไทยเนี่ยหาคนระธนาถิ่นไม่ได้เลยนะวันนั้นตะมาไปบ้านบ้านหนึ่งคนแก่เยอะบ้านมีเกียรติซะด้วยแล้วดับผู้ใหญ่ด้วยกระดับประหลัดจังหวัดเป็นประธานด้วยประหลัดจังหวัดก็ลัตนาถิ่นไม่ได้เหมือนกัน <S <S 1> <S 1> แน่ดีนี่ประถมศึกษาต้องเอาผ้าบังคับนี่ก่อนนี่จริยธรรมกับโรงเรียน สำคัญที่สุดนะนี่ขอ้อนี้แล้วทีนี้ตั้งตัวโมไว้สวยเลยไอ้คนตั้งก็สวยเลยไอ้คนตั้งก็ไปอีกเขาไม่ว่ามาอยู่ไปพิธีกรนี่แล้วเราจะไปพึ่งใครต้องเป็นทุกคนเด็กๆให้เป็นตั้งแต่หัวท่อกำปั้นไปเลยทีให้รู้ไปเลยในนี่ข้อนี้จริยธรรมของโรงเรียนประถมเดีย๋ยวก็ว่า โอ๊ยปฏิบัติธรรมเก่งเลยตั้งโต๊ะหมู่ไม่เป็นประเคนไม่เป็นรัตนาสัพยไม่เป็นเลยแจ้งเลยนะเจ้งเลยออกแคบไม่เป็นเล่นได้เลยลี่แกออกแคบไม่เป็นเล่นได้นะแล้วบอกเรื่องไม่ดีจะเล่นดีหรือประการไดในเหตุผลที่น่าฟังตรงในแนวไปก่อนเดี๋ยวพร่งนี้เขามาเนะเขามานะเยอะก็บอกว่าอ่ากันย่ารางตัวโรงเรียนตะถมอะไรเริ่มตอนก่อนก็ตอบว่า ไ, ไงก็เริ่มตอนขวาอย่างหนอไอ้นั่นคุณธรรม ไม่ได้นั่นคุณธรรมไปเอาใบกลางมาตอบไม่ได้ต้องเอาบอะต้องเอาเริ่มตรงเดี๋ยวครัีนี่หลันไปลองที่วยีมเนี่ยเนะเป็นอ้าวอๆๆ อ, อนี่นี่สองวันเป็นนี่เขาจะให้เป็นนายกวันนี้เขาพูดขับเป็นนายกตัางเลย แล้วก็ให้ยงวิเชียนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ได้กงเอาพวกเราตั้งให้หมดพวกปฏิบัติธรรมต้องตั้งให้หมดเป็นพักอะไรดีนี่พักให้พักให้ให้จะพึ่เรียกว่าพักให้พักไม่รับของใครนแน่แปลกไหมพักไม่รับของใครไม่รับเงินรับทองของใครให้อย่างเดียวแต่จําเป็นเลือกเกินถ้าเขาไม่ศรัทธาให้มา เราจำเป็นก็ต้องรับฉลองศรัทธาแน่ไม่งั้นเป็นอาบัติโทษนี่เรามีไม้เหตุเนะาะต้องมีไม้เหตุกันสิประเพณีไทยเนี่ยขอเจริญพรจำเป็นมากมารยาทไทยแผ่นดินแผ่นดินทวดแผ่นดินไทย ถึงจะ ม, ม, มาแผ่นดินทำถึงจะมาแผ่นินทองเดี๋ยวนี้ฮิตกันจะแผ่นดินทำหรือทองเลิมแผ่นดินทั่วซะเลยอาตามาอยู่มโยมสามร้องเพลงได้ร้องมาบ่อยร้องยาวซะด้วยวันนี้เป็นพระแล้วก็ร้องสั้นหน่อยถ้าไม่เป็นพระจะร้องทั้งคืนเลยใช่ไหมพันตรีพิบูลชุ่งขลามยกเป็นนามแทถๆเดีิยวที่สามอันถูงสุดพวกเราอย่าเลือไม่พระรุนของไทย หาผืนแผ่นดินมาให้เราอยู่มาจนแบบนี้คือปู่ย่าตาทวดจึงลืมแผ่นดินทวดไม่ได้สองอย่าลืมแผ่นดินไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยอย่าไปที่ข้าใครอย่าลืมแผ่นดินธรรมต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ถึงจะเป็นคนไทยแล้วต้องมีคุณธรรมที่ลึกซึ้งจึงเรียกว่าไทยแท้ไทยที่ไม่เป็นที่ขาของใครแล้ว ไม่เป็นที่ค่าของคนอื่นไม่เป็นที่ค่าของใครไม่เป็นที่ค่าของตัวเองคือกีเลสตรงนี้สําคัญมากไม่มีใครคิดนี่เนี่ยกรรมฐ า, ามนเนี่ยไม่ถึนงนฌานใสเป็นไรแท้เลยเนี่ยก็ฝากว่าการกราบนี่ถือประเพณีไทยเผยประเพณีไทยแต่จําเป็นหรือพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าใครตอบได้ไหมว่ากราบเบญจางเข้าไปเดิ็กเนี่ยกราบไปอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ใครตอบได้ เป็นคำพระพุติเจ่าสอนหรือไม่เอาอาตมาตอบแทนเพราะว่ารวมตอบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะกรรมฐ า, านก็ห้ า, พามาาาาพูดแต่ไปคุยกันตรงโน้นได้กรรมฐานก็ห้ามพูดแต่ไปคุยกันตรงโน้นได้จึงไม่พูดตอบอาตามาถูกต้องแล้วนะที่พอดีนะห้ามพูดถูกต้องแล้วแต่ ดีใจมากไปคุยกับกงโนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปท้าความหลังอะไรกันก็ไม่รู้ในพู้เล่นแล้วผู้เล่นล้อเล่นล่ะล้อเล่นแล้วเป็นจริงอาการกราบเนี่ยเป็นประเพณีไทยแต่ที่องค์สมเด็จตระสลามาพุทธเจ้าสอนไม่เกะกราบอย่างนี้ถ้าไตรปิฎกมีไปเปิดดูได้มำไมพระพุทธเจ้าสอนนี่ชาคนิยมสองพันกว่าปีอย่างช้ดีมาจนแบบนี้ หนึ่งยืนลุกยืนรับถูกข้ามฌาห์มาพระปาเจ้ามายืนคลึบยืนลุกยืนรับยืนคำนับผู้บงังคับบัญชาสแสดงอุท ا นะต่อท่านผู้ใหญ่อย่าดิ่งดูดาวนี่นะพระไตรยดกมีไม่จะกราบอย่างผู้เจา้าสอนเวลาเราจะไปประเทศศรีลังกาอจะมาไปประชุมมาแล้วพอพระเดินผ่านเนี้ยโยมเดินเนี้ยพลึบยืนหมดเวลาไปในรถยนต์ ผ่านศรีมหาโพธิ์ผ่านพระบรมธาตุในรถดวงมันยืนเลยยืนทึกยืนชฉปรงพอผ่านแล้วซาทุกซาทุกซาทุกซาุกเห็นไหมพี่แรอาจจะมาเดินไปเห็นดวงเขานั่งเรียบนอยดิ้งขยืนทึบึบอ่ะโอ้โหเฮ้ยอไรแอบเล่งานกูมั้งวะเออเราไม่รู้มันอ่ะนึกว่ามันบีบคอเราแล้วพอยืนไปแล้วพอเราผ่านไปแล้วซาทุกเนี่ยเห็นไหม นี่อย่างนึงนี่เทคนิคยืนลกเยินรับยึงคำนับผู้บงังคับบัญชาแสดงบูธานะต่อท่านผู้ใหญ่ยืนยิ่งดูดายผู้ใหญ่มายืนลกและรับคำนับด้วยแหมนี่ฝรั่งฟังขึ้นเลยโอเคละโอเคยังไม่พอนะแสร้งคิวด้วย <c oughs> เห็นไหมเห <c oughs> ็นชัดไหม <c oughs> แต่ทำไมหนอกระแท่สีร่างกาจึงกลาบหลายท่า ที่เบตนอนกราบที่เนี่ยี่เบตที่เบตนอนกราบถ้าเราลองไปเอาแบบที่เบตมานะเอาลองนะพรุ่งนี้นะพอพระผ่านมาทกุกกราบอย่างงี้เลือกทำดูกราบแบบนี้ลองเลยเอาเลยลกราบแบบที่เบต ได้ไมมกราบแบบที่เบ็์เขากราบอย่างนี้ถ้าเราไปกราบอย่างนี้นะนี่ใครละคนลองกราบดูนะขอออถ่าจะเต้นเลยเฮ้ยอาลดไปเว้ยไปสีทัญยากันเยอะนี่นี่เหตุผลเนี่ยแล้วจีนกราบอย่างไรเจ๊ททำไมถึงยืนกราบฟังเหตุผล ดเดินกราบตั้งแต่ศีรษะลงมา9้าครั้งแล้วครั้งที่สามน่นแบเอาพรเข้ามาไว้ของเขาเขาบอกอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจาตตาโลธรรมวัตท่ันติอายุวโนสุขังพลังผู้เจ้าบอกผู้ใดจะได้พรต้องอภิวาสเป็นนิจอัญชลีกรรมอุ้มมือขึ้นมา เป็นดอกบัวตมท่านว่าอย่างนั้นตามพระบาลีแล้วจึงจะได้รับพรพรมีสี่ประการคนอยากให้อายุยืนก็ต้องขอพรผู้ใหญ่อายุยืนเฉยๆไม่ได้ต้องพัฒนาชีวิตคนจะอายุยืนพัฒนาชีวิตคือใส่บาตรเอาข้าวไปถวายพระถึงจะอายุยืนแล้วเราก็ไหว้กราบพระเข้าไปกราบทั้งหมื่นครั้งพันครั้งแล้วไม่เคยเอาข้าวไปถวายพระเลย แล้วเราเราก็จะไปกินที่ไหนล่ะาอาย่ยืนไหมนะนี่เหตุผลที่น่าฟังนะคนจีนเขารับไหวว่าตัา้งแต่ทิษะเขาก็เริ่มยืนอย่าไปตาหนิเขานะอย่าไปตีตาหนิเขาอาตมาก็คนจีนนะเพราะเป็นดองก็เอาหมวยเขาต้องกราบลงีิษะลงมาเลยถูกต้องของเขา ถึงเรียกว่ากราบก้าวท่ายืนกราบแบบจีิแล้วสุดท้ายเขาจะแบมือกราบอย่าไปทําขานาเดี๋ยวไปทํากัามาเอ๊ะอยู่ที่บ้านดีๆกราบจยากวัดผุวันไม่ไหว <laughs> อย่างนี้หรือก็กราบจยากวัดวันไม่ไหวผิดไปแล้วเรื่องเดี๋ยวสามีบอกเอ๊ะอะไรวเนี่ยตั้งแต่ไปวัดอัมพวันคุณแม่วันนี้ไปทําจะเสียหมดเลยเหรอ ใครเขาว่าอย่าเกกการอหรือพออวัยยังไงไม่ได้ไปเพย์จริงเขาอย่าไปรอเขาไม่ได้เนี่ยเขาแบมือก็แสดงว่าทั้งท้ายเขาจะได้รับพรมาไว้ในจิตใจของเขาเขาว่าอย่างนี้ <c oughs> แล้วทีนี้เีย่ขอขาฝากไว้เราสวดมนจะได้พรอมการไปสนดิเนี่ยนะหนึ่ง 2จดหน้าผากสามตาให้พร้อมกันแ้วขึ้นมาทำไมหนึ่งสองสามลงพร้อมกันหนึ่งสองสา ม, มพร้อมกันแล้วก็สุดท้ายแล้วทำงานสุดท้ายแล้วกลมาหนึ่งสอง เอางี้องให้ได้เลยนี่สาระปัจจจริยาศึกษาพระปมเรื่องเบือ้องต้นตองนี้ก่อนเดี๋ยวพระตามาไหนโรงเรียนนี้ไปงอาเด็กมากาวดูสิเสียชื่อเลยนะเสียตกลงเลยไหนนอยู่ทีงไหนบอสสิครับหลักาสินรู้ฟังเงสินอะไรจ <c oughs> บเลยนี่ไม่ไดนะ้นี่จำเป็นเรื่องเลยนะี่จริยาศึกษากับการโรงเรียนปฐม ขอฝากไว้ด้วยแล้วทีนี้อาหลังสัมมาเนี่ยจะกราบพร้อมกันเลยบางคนนี่ขอโทษอาหลังสัมมาสัมพุโธพระกวาพุทธทางพระกวนตังอภิวาเทมิแค่ไม่ได้กราบไม่ค่อยพร้อมกันมันคือกราก็ดกดูดตูดก็ดกต้องมิพร้อมกันที่ค่อยกราบอาหลังสัมมาสัมพุโธพระกวาพุทธทางพระกวนตังอภิวาเทมิแล้วก็กราบแล้วพร้อมกันหมด แต่พ้นหน้าที่น้ำนะอหลังสมาธิพุโทโธพระกรวาพุทธังพระกวานตังอภิวาเทมิอย่ากราบไว้กราบพร้อมเขาเนี่ยเพราะพวกหมู่ใหญ่ก็ว่าสังฆนะมามิแล้วก็กราบพร้อมเขาถึงจะสวยแต่เรานำเข้าไปกราบก่อนแล้วเข้าไปกราบที่หลังไม่สวย ง, งามเราเอาความไป็ระเบียดสวย ง, งามด้วยสวากาโตพระกวตาธโม ธรรมนมะสา ม, ม, าามิถ้าเรานำนะเราก็ลงมิพร้อมเทา้าธัรมนมะสามิมารามตรงหน้าผ า, ากอุณล่มแล้วกราบแล้วพร้อมกันหมดเลยตูดไม่กระดกละถึงกระดกก็กระดกมีระเบียบสังฆนมามิกราบไปได้จะพร้อมกันดีนะเด็กนะ อย่าให้สวดมนต์ที่หน้าเสาธงนะบางวัดไปเห็นมันชัดเลยแต่ยังไม่ออกชื่อโรงเรียนดเด็กเข้าแถวแล้วขอร้องเพลงชาติชักธงล <ID> เลยวอนนั้นท่ามาเจ้ามุทรอภคว่โคชามปรวันําเพลเ็มนี้สังครังนัมามีอะไรไปสวดมนต์ทาไมที่หน้าเสาธงนะขอฝากขอออไปด้วยไม่ควรสวดควรสวดห้่ปไนระเบียบ แล้วก็ฝรั่งมังค่าเขามาเขาจะตำหนิสิเจียนว่าเอ๊ะนี่เขาสวดมนต์กันยืนจรีาสาเ้าทงเลยแต่ไม่สมควรนี่อาจริยะในปถมศึกษาเบื้องต้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยการไหว้กราบเป็นระเบียบคุณกัะพุทธต้องเอาตั้งแต่จริยะศึกษากับโรงเรียนชั้นปถมทุกคนต้องเข้ามากราบพระเนอกเนือจากั้นรัตนาศินรัตนาธรรมและก็ บูชาพระเป็นตูดโทษเพี้ยนให้เป็นทุกคนขอฝากนันอย่างไรไปด้วยบางทีอาจารยตั้งโต๊หมู่เนี่ยอาจจะมาไปดูโรงเรียนไปหลายโรงเลยนะใช้ไม่ได้เลยนะบางทีแจกการมู่อันล่างได้เนี่ยนี่เสียแล้วเนี่ยถ้าคนผู้รู้เข้ามาเอ้ยเนี่ยอาจญญารย์ใหญ่อยู่ไหนเนี่ยนี่ตักันอย่างนี้เหรอเสียเลยขอฝากเขาด้วยเนะนี่ยนี่ศาสนาพิธีเป็นเปลือก คี่เราจะดําเนินงานไปหาแก่นต้องตั้งให้มันถูกมีระเบียบแล้วห้องจริยะนั้นห้องประชุมนั้นตังปูพรมให้ฐานะเท่าเทียมกันที่พระพุทธเจ้าของเราประทับอยูนะ่ณที่นี้ไม่ใช่เอาพระไปตั้งไว้หน้าโรงเรียนนนะเอาโตอะไปตั้งไปกลา่าวประจุนั้นนะยาแนละขอบินทบาตเจอะไม่สมพระเกียรติพระพุทธเจ้าเลยถ้าท่านมีพระบรมธาตุนะลองเอาไปตั้งวางไว้หนีหมดเลยอ ถ้าบ้านไหนมีพระบรมธ า, าตุนะตั้งไวให้สวยงามนะแล้วไม่ให้เด็กไปเล่นแล้วท่านไปสวดมนต์พระธาตุเสด็จมาเยอะหมดเป็นบาปเลยนะในเรื่องจริงที่จะมาไม่เคยเชื่อมาต้องเชื่อนี่บ้านแจ๊กกรุงเทพไปลูกถึงสมเด็จพระสังฆราชยานชงวอนพระธาตุมาทุกพระองค์เลยในบาป ท, ที่บ้านเขาเป็นหมดแจ๊กเมืองจีนจแท้ๆไม่เดี๋ยมีกระสาสุขระแต่เขามีจิตประมุขสเขาไหว้กราบพุ่งเข่า พระธาตุมาลงนี่พระส า, าลีบุตรในพระโมคขาลาในเรื่องจริงเลยในหลวงยังต้องมาขอพระธาตุที่นี่นะบานยมทองดีเยอยู่ฝั่งทนบุรีจะมาบอกบ้านได้เลยของคนผัวเมียเนี่ยอยากจนมีบรมธาตุสวดมนต์ไหว้พระรวยมหาศาลเนี่ยรวยจริงๆริงนะเสด็จมาได้เรียกว่าบริสุทธิ์แต่ใครถามบอกบะบานยมมีพระบริสุทธิ์ไหมต้องตอบให้ยายเลยนะบอกพระบริสุทธ์มีอันเดียวคือพระบรมธาตุ พระเครื่องแรงของกลางพระทรงเหลืองนีใไม่บริสุทธิ์ก็พระบรมสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระบริสุทธิ์ฝากไว้ด้วยเอาไว้เป็นคำคิดอีกด้วยถ้าใครมีพระบรมธาตุนะงอกได้มาดะขอแตอมามาเยอะอยากจะได้ยังไม่ละแต่ก็ยังไม่ให้เดีย๋ยวนี้เราต้องทำกรรมฐานได้ถ้าทำกรรมฐานให้ได้ให้แน่ไอแน่เลย ต่างใจหน่อยนะโยมถ้าทำกรรมาฐานได้แล้วเทวดามาช่วยบรรโยมเยอะเลยเทวดาช ว, วนสวดมนต์เยอะนะมีเรื่องจริงที่ส่วนพิกุนี่นมาช ว, มวนแม่ชีสวดมนต์เนี่ยอายุถึงเก้าสิบเจ็ดปีที่วัด น, นี้ไม่ใช่เรื่องเล่นกันขอขอฝากไว้นี่อันนี้เราก็จะมาพูดตามแนวแนะแนวญาติโยโมว่าจริยะทํากับโรงเรียนมาผถมเริ่มต้นสวดมนต์ไหว้พระหัสแล้วว่าให้มีระเบียบไหว ย, ยังไงไหวผู้ใหญ่ ย, ยังไง แล้วไปกราบพระกราบยังไงไหวพ่อแม่ขีดครับถ้าจะเอาเหตุผลมาสู้กันไหวพ่อแม่ต้องสามครั้งเพราะพ่อแม่เป็นพระครูเป็นพระทำได้ไห้ได้ต้องไหวาสามครั้งบางทีครูบางโรงเรียนเนี่ยไปสอนนะจะมาไปรักฟังไอ้ไหวหนึเดียวไหวครูหนึ่เดียวไหวพ่อแม่หนเดียวไห ว, ว, ว, พ, ห ว, ว, วพระพุทธรูปไหวาสามสอนเพจไม่ถูกโจดครูก็เป็นพระนะครูเนี่ยที่หน้านี้เนี่ยเป็นรองจากพระสงฆ์ลงไปเนี่ย เห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยไหมเนอตมาเป็นประสงค์แปลว่าครูรองจากอาตมาก็คือโยมทั้งหมดนี้เป็นประสง์เป็นครูของประชาชนกุลบุตรีดาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็ตามถือว่าเป็นพระครูนี่ครูแต่รองจากอาตมาก็พวกท่านทั้งหลายนี่เองต้องกราบสามหนครูรักครูจำครูเนะครูนำครูพร่ำครูสอน นี่ต้องเอาไปเข้าในจริยะเด็กท่านประถมด้วยไหวครูทำไมนุดอกมะเขือดอกอะไรวันพฤหัสต้องอธิบายฝั่งเข้าในหลักสูตรจริยะด้วยพระพุทธพระธรรมประสงค์ต้องเข้าพระพุทธพระธรรมประสงค์บิ ด, ดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายต้องเข้าในจริยะนี้ทาไมใช่เนียะท่านประถมศึกษานี่ ทันต่อให้ถูกเลยเอานี่ไปเป็นหลักแล้วก็ไปยิดใจและประเมินผลเป็นวิชาการต่อไปนี่ขอขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนี่มีเหตุผลที่น่าฟังหลายปร ะ, ประเด็นอันนี้ตั้งต่อหมู่สาคัญมากมันมีหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าหรือหมู่เหมาะสมมันไม่มีอะไรระดับสองมีนะคะหนึ่งไม่พอเอาระดับสองสองมัมีเอาระดับสามสามไม่มีเอาสี่แทนมันก็มีหนึ่งสองสา ม, ส, ามสี่ เอามาแทนไดน้เอาที่ปักทูบไม่มีฝากทูบไม่เบไอ้เอาที่ไหนแล้วเหลียวซ้ายแยขวาเอาเดี๋ยวนี่เลยเอาแก้วกว็ะดาษขอร้องหน่อยเดียวอย่าเอากระโถน <c oughs> บางโรงเรียนเนี่ยต่อมาไปเห็นเลยกระโถนเป็นทองเหลืองสวย <c oughs> เขามีลายทองเนยะกระโถนเนะียกระถงปักแรเป็นทองเหลืองสวยมากแล้วบอกเอ๊ะอะไรไว้เนี่ยสวยดีเขาเอามาปักทูบแล้วครูเขามาไหว้กันสามบอกครู อะไรเนี่ยโอ้โหแจกันครับแจกันที่ไหนละกระทถนมันเป็นของเก่าไม่ได้จะสวยงามจะเป็นทองคำก็เอาไม่เหมาะสมในการตรักทูเพราะเป็นกระโถนนี่อย่างนี้อย่างหนึ่งขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยอย่าทำนี่ย ไ, ไปกิจกรรมที่เสียหายเนี่อามาไปเห็นหลายโรงเรียนบางวัดด้วยนะสลาวัดที่จะด้วยที่กระโถนปากแกลมันเป็นไอ้ทองเหลือง เขาขัสดสวยเหมือนไอ้ปากแกรไอ้แป บ, บแเปล่าอ่ะมันสูงดีด้วยแต่กระโถนสูงในทองพะโลงอะไรแบบนั้นเอามาปากทูบ้วสวยเลยถามสมภารบอกนี่อะไรครับโอ้โห و, ของเก่ากัหลวงพ่อโอ้โหเก่าแก่มากเลยเช่าวไว้หมื่นหนึ่งอ่ะทานรู้ไหมอะไรี่ยมันบอกว่าของเก่าโล่แค่ของเก่าถูกต้องของเก่าเขาใช้อะไรเขาใช้อะไรไม่รู้ ก็ท่านไม่ได้นั่งกรรมฐานท่านนั่งกรรมฐานก็เห็นหนาะระลึกได้ว่าอันนี้อะไรสติมันจะบอกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปากแล่กระโจนใช่ตรงไหนสัมปชัญญะสัมปชัญญะมันจะบอกว่าไม่เหมาะสมที่มาปากทูดนี่กรรมฐานได้ประโยชน์ได้ไหมต้องเอาไปนอนเป็นกระโจนน่นแต่เป็นของเก่าต้องรับคนแก่เสือเก่ารับมุกอมาตราชบริพานรับให้ถูกฐานะของแขก คือของเก่ามัจะมาตั้งกันรงเดชไปไม่มีที่ตั้งของดีดีแท้เนี่ยทำไมนั่งกรรมฐานของดี่าไปวางตรงโน้นของของตรงโน้นไปวางตรงนี้ไม่เหมาะสมในการหน้าที่และการงานของตอน้นนี่คือกรรมฐานเช่นอยู่กันอขอเจริญพอรอย่างนั้นวางไม่เหมาะสมยิ่งนั่งไม่ถูกทางด้วยไม่ถูกที่ทำความดีไม่ถูกทางก็ไม่เหมาะสมเช่นอยู่กันเพรา ะ, ะนั้นการเจริญกรรมฐานสตินี้ ต้องการให้เราอยู่ด้วยความเหมาะสมให้เราอยู่ด้วยความถูกต้องให้เราอยู่ด้วยความสามัคคีรักกันดีด้วยเมตตาต้องการให้เราทั้งหลายอย่ามีเรื่องกันอย่าพ้องร้องกันอย่าหาเรื่องกันต้องการจะสามัคคีในสพชนี้นี่ประการหนึ่งที่จุดมุ่งหมายอันนี้ต้องการให้ท่านซึ้งในรสธรรมท่านจะโูดจิตจกรรมในชีวิตด้ว ย, ยเมตตาตของท่านขอแนะนวว่าเด็กจริยธรรม ปฐมศึกษาควรสารนาิธีต้องเรียกมาสอนขอฝากคณาจารย์ไว้ด้วยอย่าลืมข้อนี้ไม่ได้ไม่งั้นเด็กไม่มีประตูเข้าถึงพุทธธรรมเข้าพุทธธรรมเนี่ยมันต้องเข้าทั้งนี้ทางสารนาพิธีก่อนเราจะไปเข้าทางแก่นต้องมีสารนาิธีมีพระพุทธรูปบูชาให้เห็นเรียกว่าโลภะธรรมพอเห็นพระพุทธรูปเขาสวยงามกราบด้ลูกไวย อรหังจำมาพุทโทรพระกวาแล้วก็อาจจะแปลฟังอรหังแปลวากลา่จะเกเรนี่คือพุตกาบุตโทอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วเบิกมาแล้วสวยงามไม่ประมาทด้วยความบริสุทธิ์เช่นนี้นะคือพุทธโธอ๋อมันก็เข้าไปถึงนมามธรรมตั้งแต่เปลือกไปหาแก่นดังที่กล่าวมาอันนี้เหตุผลของจริยนารศึกษาของเด็กอ๋อขอฝากท่าน ท, ทั้งหลายไว้ด้วยอย่างนี้นะและอย่าลืมว่าลัตนาศีลลัตนาธรรม แล้วทีนี้ก่อนนุง เ, เรียนเลิกถ้าจะเคื่อนจะมานะเช้าเย็นลัตนาศินแล้วก็ว่าไปด้วยเลยเด็กว่าไปลัตนาศินแล้วว่าสินองค์สินไปด้วยจบแล้วกลับบ้านตอนเย็นก็ว่าอีกรับรองมันจะซึ้งไปซึ้งไปคล่องปากแล้วคล่องใจพอคล่องใจแล้วก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิเกิดสติปัญญาเกิดความสา ม, มารถขึ้นมาในโอกาสต่อไปเขาก็อาถารพฌานชัยในวิธีปฏิบัติในคุณธรรมของเขา เกิดขึ้นโดยวิธีนี้ประการหนึ่งอันนี้เป็นที่มาของพุท์ที่จะต้องเข้าถึงพุทธธรรมต้องเข้าในดาด า, ดาโลภะธรรมก่อนเห็นรูปสวยงามก็นาไหวน่ากราบหน้ า, า, น า, า, นาพัฒนาชมและจิตใจก็น้อมเข้าไปหาคุณพระพัทธเตรายต่างนโมสามจบนี่เริ่มต้นนะวราขอฝากท่านไปนแนวเด็กว่านโมทุนล่วงนโมทุนหลักนโมทุนอุปธรรมสามอย่างนี้เด็กจะเข้าใจ โนโมเหมือนแ บ, บนล็อกแก้วหนูคุณทองไปก่อนนนโมทุนร่วมหนูทําให้คนมารวมกันนะ่ะต้องไหวเขานะต้องอ่อนน้อมท่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนไปก่อนนะลูกนะไปลามาวาดนี่ต้องเข้าทางนี้อีกอย่างนึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาดาษเรียกว่าพุทธธรรมโนโมทุนร่วมไปไหว้กราบคุณโน้นเข้าเชิญคุณโน้นเชิญคุณนี้เขา้าก็ขอทําให้คนมาร่วมงานกัน นโมทุนหลักสาคัญมากที่จะเข้าถึงพุทธธรรมได้นโมทุนหลักคือนโมท่อนกลางสอนเด็กง่ายเด็กจะเข้าใจได้ไง่ายบอกหนูว่าทั้งที่สองเนี่ยเหมือนดูหนังสือสองครั้งอธิบายในจริยธรรมให้คุณธรรมไปด้วยโดยการศึกษาของเด็กจะเป็นคุณธรรมประเสริฐที่สุดข้อสองเรียกว่านโมทุนหลักหนูถ้ามีนโมท่อนสองเป็นหลักใจของหนูได้เป็นนโยบายจิตสงบแนละ้ว จะมีคนอุปถัมภ์หนูเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์ได้เราก็มีนโยบายกสศรบายสอนเด็กต่อไปนี่อย่างหนึง่งนโมทุนหลักคืออะไรถ้าว่าเป็นภาษาภาษาไทยง่ายๆก็ได้คือ <c oughs> นอกน้อม ก, กระตันยูเช่อชูระเบียบเพียบเดวีนยัยหนูจงตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกเป็นสุขอนันต์เป็นหลักสาคัญคุณหนูจำใส่ใจ นี่กตัอยูกตัวเวทีนี้เองแล้วก็อ า, อาแยกอธิบายไปแยกออกไปเลยนี่รูประคุณง้องท่านภูมิคุณมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์นี่นโมทุนละที่จะเข้าถึงพุทธธรรมได้ในเมื่อเข้ามาถึงหลักสองปรองดองกันดีแล้วหนูจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยทุนเสริมสมองและช่วยทุนการศึกษาหนูไปไหนไปลา ม, มาไหวไปเจอคนแก่คนท่าไหวกราบนมัตการ แล้วก็ไหว้พ่อแม่สามครั้งมาโรงเรียนนี่จริยาขอ้อต้นนโมสามครั้งมีความหมายมิใช่น้อยนี่เอานี้ได้ผลแน่เนี่ยาตมาทำมันได้ผลหนูไปโรงเรียนไหว้พ่อแม่สามผลเพราะเด็กนี่สอนง่ายกว่าคุณแกสอนง่ายกว่าผู้ใหญ่เองใครเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสอนยากที่สุดมีสี่ประเภทท่านทั้งหลายอยากโกรธตามานะ่ยตามาด้วยหนึ่งคือพระ สอนยากสุสดที่นี่มาอบรมที่นี่อุปชาเจ้าคุณเยอะฮัลโหลชาวบ้านเขาได้ยินทั่วจนไม่ออกเสียงนี่เสียงนี่ไม่ออกหลวงพ่ออบรมพระมันถึงเรียกบ่อยแน่แน่ชาวบ้านรู้เลยเลยได้ตําราชาวบ้านถ้าเรียกบ่อยต้องอบรลงพระฮัลโหลนีมนต์เจ้าค่ะประเดษสคุณวิทยากรมาคอยแล้วเจ้าคุณอธรรมนิเทศมาคอยแล้วนี่มนต์หน่อยแต่พาย่ามเดินไม่รู้ไม่ชี เดินไม่รู้ไม่ชีแถมนกเราหนีไปหมดเลยแต่อก่อนนี้นกที่วัดนี้เยอะหมดประชุมพระคนนั้นนกหนีหมดเลยนกบอกเฮ้ยพระวัดเราไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนมวยนกมันพูดกันเอพระวัดเราไม่เหมือนเมื่อก่อนมวยไอตัวหนึ่งมันเป็นตัวมีฉลาดเฮ้ยข้าดูแล้วไม่ใช่พระวัดนี้เวยไม่นกนกนี่น ก, นอ ก, นนอกเอียงนะนี่หนีไปหมดแล้วหนีไปอยู่จังหวัดแท้หมดแล้ว นี่เรื่องจริงนี่เค้าขอ้ขอเทจริงนี่จับวิจัยประเมินผลได้ประเมินผลได้ออกมาอย่างนี้ประเมินดีนะเลยก็องหนึ่งอ่ะเดินบอกขีมูลดิครับเขามาไม่เป็นไรแถือกันเองเนี่ถือกันเองวิทยากรก็พวกเราไม่เป็นไรวิทยากรก็พวกเรา ก็ทีบดีโยมไปเชียร์ที่พวกเ่าให้เป็นลายครูของเราเองเมื่อหลายก็หลายนี่สิไอตรงนี้สิไอตรงนี้สิไอตรงนี้พูดเล่นและจริงด้วยอาดับสอง่วาวาตมานะครูยบพร้องคือว่าตะกี้นี้อาตมาโดนด้วยนะไม่ใช่โยมนะครูรู้แล้วไม่ค่อยชำ ม่รไม่กระตางอยนี้เลยอ่าแล้วครูไม่ทํำนะอย่าเอาอย่างครูสิฉันสอนเธออย่าปากแข็งเชอย่าเอาอย่างครูเอาอย่างที่สอนแค่เอาอย่างที่สอนแเชจะมาเอาอย่างครูได้เอาอย่างที่สอนที่จะตีเลยเนี่ยอครูยังทําเนี่ยเอยปากจัดนะฉันจะแม่คะแนนเธอตบ ตกเลยตกเลยอย่าไปเฉียงครูไปบอกไม่ได้เชียวครูว่าอย่างไงเจ้าข่าเจ้าข่าครับครับผมว่าอย่าหลวมไม่ไดยนะถ้าหลวมไม่แย่เลยในเรื่องจริงพอหเห็นด้วยไหมน่ะมีปาัปาญาพอจะเนียมเห็นด้วยไหมเออมีพวกแลบบ้วเจ้าข่าแหเทบดีเหลือเกินเจ้าข่า แท้ดีเพราะดีเจ้าค้าเออวางก็มีด้วยพระการลนีโอ๊ยวันนี้ซึ้งแค่เรื่องไรจําไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเลยนี่เห็นพวกนี้เป็นคนแก่แบบนี้อ้อระถังอ้อระถังก็ลาพังไปหลายหลังมาแต่ขางเหนือใต้นี่ประเภทคนแก่แบบนี้แต่ไม่หมายความว่าคนแก่อยู่ที่นี่คนแก่ที่โ น, น่น เดี๋ยวเราหาว่าว่าคนแก่นี่เรื่องจริงที่ผ่านแล้วมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งคือเด็กอมมืออมมือแล้วแม่เอาไหนเลยฟังหน่อยสิแต่ไปลูกตาวขายย่ายอมมือนะออมมือไม่ข้าเอาไหนมันอมมือเรื่อยอย่าดูดมือเรื่อยเลยพระยาหนูอย่าดูดมือลูกนี่อย่างนี้อันดับนี่อันดับดูดมืออย่าให้ลูกดูดมือนะเสียหมดโตขึ้นมาใช้ไม่ขยัน อันนี้เหตุผลในการศึกวิทยาในการเนเรียนเรกเหมือนกันม <c oughs> ีแนแนวเบื้องต้นนะลรับเวลาจํากัดจะเล่าเรื่องกรรมฐานต่อไปเนี่ยแนะแนวสําหรับปฐมมาศึกษาถ้าขึ้นมัธยมแล้วก็คือเรื่องเดียวกันนี่เนี่ยแต่แนวคนละอย่างให้ลึกซึ้งเข้าไปชั้นปถมมันหยาบมัธยมต้องเรื่องเดียวนี้แต่ให้มันซึ้งเข้าไปให้ละเอียดออนขึ้นไป ถึงหมายรายก็ให้ละเอียดเข้าไปถึงสูงชั้นสูงสุดก็แบบเดียวกันไม่มีปัญหาอื่นแต่ประการใดแต่ขอเจริญพรต่อไปว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาของโรงเรียนนี้ก็พยายามชักนำเด็กเข้าสารพิธีได้รัตนาสินรัตนาธรรมขอกรุณาให้เขาว่าเด็กเป็นทุกคนให้อาฐานเวลามีงานผู้ใหญ่ไม่มีเด็กจะได้ไปรัตนาศินรันาธรรม และรับศีลกับพระว่าให้มันดังว่าให้ดังทีเดียวมันจะได้ฟังชัดแต่การรัรณาศีลเนี่ยว่าให้ดังคือปวงชนแห่งคนทั่วไปแต่ในราชาการเขาไม่ว่าดังเช่นรัตนาศีลไม่มีการบูชาพระในราชาการอีกอย่างหนึ่งนะียมันแยกประเภทไปจะไม่ขอกล่าวถึงราชการเข้าไปในหลวงเสด็จแคอีกอย่างหนึ่งอีกเนยจะไปว่าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น มีความแยกประเภทไปหลายอย่างแต่จะไม่ขออา ธ, าธิบายให้ท่านฟังแต่ท่านคงรู้แล้วอันนี้แยกประเภทมดอันนี้ก็รัตนาสินลัตนาธรรมเป็นแล้วก็ต้องอธิบายว่าหนูเข้าถึงพุท ธ, ธรรมคือลัตนาใจต้องอธิบายนี่เลยท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้ชายนะที่บวชนะตว่าเอสาหังคื อ, ข, ข, อาาข้าพระเจ้าขอถึงลัตนาใจมีพระพุทธเจ้าประทับประจาประสงประจ้าเป็นที่พึ่งก็ประจ้าตลอดชีวิตนี่ต้องเข้าตรงนี้ นี่จริยะข้อต้นเขีวต้องเข้าถึงรัตนไกรให้ได้และ ว, วิธีสอนต้องแยกออกประเภทให้สอนเด็กเข้าใจพระพุทธเจ้าคุยขาดจะไปบอกเจ้าชายชิตตาไอ้นั่นเป็นชื่อของด้านที่ท่านทรงเป็นพระมารกตรต้องพระพุทธเจ้าคือเสเม็จมักผลขมโพธิญาตไม่เห็นก็ความยากเหนื่อยพรวรกายสังสอนประชาชนตาทั้งข้างทางเดินทั้งคู่คือต้อนลังพือปางนิพพาน ในเรียบผู้ทธเจ้าอสอนเด็กเล็กอย่างหนึ่งเด็กใหญ่อย่างหนึ่งและอธิบายให้เด็กเข้าใจตามฐานะของเด็กที่พอจะฟังและเข้าใจได้ต้องเปรียบเทียบและยกตัวอย่างให้เห็นด้วยถึงจะเข้าใจทั้งด้านลูกธรรมนามธรรมไปด้วยอันนี้มีความหมายพระพุทธเจ้ามีคุณค่าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เห็นจ้าแม่สองที่บายคือปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณมหาปรินายุณแล้วก็ทางอาจารย์ก็แยกบรรญายปัญญาทางฝั่ง เราก็อธิบายให้เด็กเล็กๆฟังว่าหนูต้องฟังด้วยศรัทธาหนูต้องฟังด้วยศรัทธาและสนใจสนใจตรงวิชานี้สนใจอย่างนี้นนตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ทบทวนอย่างนี้และปฏิบัติอย่างนี้ได้ปัญญาทางฝั่งแล้วก็เอามาคิดทบทวนว่าวิชานี้เรียนมานี้ให้มันเกิดปัญญาในทางคิดแล้วหนูจะบริสุทธ์ก็มีภาวนาเมยปัญญาก็สอนเด็กภาวนาคื อ, อได้นี่เบื้องตอน้น ภาวนาก็ได้แก่ดูหนังสือเป็นภาวนาให้มันจําแม่สนสวดมนต์ไหว้พระก็เรียกว่าภาวนาให้มันมีสติปัญญาแล้วก็นั่งสมาธิไอ้บ้องเพ้นจิตภาวนาออกไปแยกประเภทสองประการง่ายง่ายก่อนและจิตหนูจะบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าจะไม่โกหกหมดเท็จจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดตรอเทียจะไม่พูดคําหยาบจะไม่พูดเพ้อเจอจะไม่พูดเลอะเหมือนเปเรียร้ยวจะเลียวลดโคตรเขี้ยวแต่ประการใดก็อธิบายออกมา พัดเจ่งคือคุณประศรีนันทสัตรไว้สุดแล้วก็จะในมีเมตตาคุณหนูจะไม่ขาดสัตว์หนูจะไม่ใจดําเอามีดเชี้ยวโหดชารุนดูร้่าดสัตว์ตัวเป็นให้จําตายเป็นบาปเป็นกรรมนะคุณหนูนะนี่คือพระมหาคุณอาติกุลของพุทธะนี่ต้องเข้าทางนี้ให้ได้แน่แนวเด็กให้นี่เข้าเข้าทางนี้ได้ไม่งั้นจะผิดทางนะนี่คือรัตนบัตท่า น, าานทั้งหลายผู้เป็นชายจะบวชนาคในโบสถ์ท่านจะไปบวชของท่านเองท่านจะกล่าวคํานี้ ยเอสสาหังพันเตสุติราปนีพุทตามปีตังพระกวุวรรณตังพระนางกระฉามิก็ได้ความจับสุดในความออกมาว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นของข้าพเจ้าขอประสงค์เป็นของข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมดังต่อไปนี่ตลอดชีวิตนี่เป็นการเข้าถึงจริยะเบื้องต้นของคนไทยพระพุทธศาสนานี้นี่เราต้องเอาเข้านี้ก่อนไปทำการออกแขกไปนะ แล้วเราปฏิบัติศีลก็ว่ากันไปพุทธังตรนังกัจจามิธรรมังตรนังกัจจามิตั้งตังตนังกัจจามิณัฐทิเมสรนังอันยัง่งคูทโท่โธธัรมโมเมสั้งโคโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเตนะโหตุเตชยมังพลงังที่พึ่งอื่นไม่มีผีกระเจ้าไปที่พึ่งไม่ได้พระาคณะใจเท่านั้นเป็นที่พึ่งได้ก็อธิบายไปเป็นขอ้ขอข้อนี่การเข้าชริยธรรมของเด็กเบื้องต้นต่อธิบายให้มันถูกต้องและเหตุผลที่เด็กฟังขึ้น ไม่ใช่ไปอธิบายเด็กไม่รู้เรื่องก็งให้เด็กเข้าใจเดี๋ยวเขาอาจารย์ใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าเด็กครูบรรจุใหม่ให้สอนสิ่งธรรมไม่ให้สอนสิ่งธรรมแต่สอนง่ายนะต้องทําได้ด้วยนะต้องทําได้นะอาตามาได้ยิงข่าวเล่าลือจากโรงเรียนมากเอาครูใหม่จอสอนสิ่งธรรมไปสอนสิ่งธรรมไปเห็นสิ่งธรรมเป็นอะไรไปได้